คือท่านเกิดในสมัยที่เป็นกาละสมบัติเนี่ยนะคติก็สมบัติอุปธิก็สมบัติอาหารก็ดีอุตุก็ดีเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีกรรมมศกตาชั้นเยี่ยมตั้งความปรารถนามาอย่างดีเมื่อท่านเหล่านั้นมีเหตุเก่ามาดีเนี่ยท่านก็ตั้งอยู่ในอัตตาสัมมาปณิทิสฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะบรรลุเยอะจริงๆเนยนะอย่างบางสูตรเนี่ยเทวดามาฟังเนี่ยนะ เทวดามาฟังเนี่ยนั่งตั้งแต่แถวเมืองกบิล huh. พันเนี่ยนั่งไกลไปจนถึงโน่นอ่ะสีลังกาอนนเทวดานั่งถัดถัดถัดถัดัดไปเนี่ยเช่นมหาสมัยสูตรเนี่ยนะเทวดานั่งอยู่โน่นอ่ะเทวดาองค์ท้ายท้ายน่นอยู่แถวแถวสีลังกานะห่างไกลไปขนาดนั้นนะคิดดูจากจากจากเนปาลไปกบิลพันเนี่ยกี่ร้อยโยต์อ่ะไม่ได้ใกล้เลยนะอาจจะนั่งแถวแถวมาแถวแถวไทยก็ได้เนี่ยนะ ก็โอ้หลายพันเป็นพันกิโลอ่ะนะไม่ต่ำกว่าพันสองพันสามร้อยกิโลอยู่แล้วจากจากกบินละจากเนปาลเนี่ยนะเทวดานั่งถอยถอยถอยถอยเนี่ยเทวดาชั้นล่างๆเนี่ยบุญน้อยๆทั้งหลายนู่นน่ะไปนั่งอยู่ที่สีลังกาโน่นนะนะเขาบอกว่าเอาแล้วจะได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าหรือกขาบอกพระพุทธเจ้าเหมือนกระเทศให้เราฟังอยู่คนเดียวสังเกตดูไหมดวงจันเวลาสองบางคืนเนี่ยส่องให้ใครทุกคนก็เหมือนส่องให้เราอย่างเดียวอ่ะ พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเวลาพระองค์แสดงธรรมเหมือนแสดงให้แต่ละคนแต่ละคนฟังเฉพาะตัวเฉพาะตัวอันบริษัทเนี่ยมหาสมัยเนี่ยเขาบอกว่านับคํานวณไม่ได้จบหนึ่งสูตรนะบรรลุแสนโกดธาหันนะบรรลุอาทหัรตะมักเนี่ยแสนโกดผลที่เหลือเนี่ยหาประมาณไม่ได้เว้นแต่เรานี่แหละอยู่กันได้ยังไงรู้นะอยู่กันได้นานนานไม่สงสัยว่าท่านบรรลยอยุอะไงไงคือมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าคุยกับเราอยู่คนเดียว ทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีคำว่าฟุ้งซ่านเลยก็ด้วยด้วยอนุภาพหลายๆอย่างนะบุญเก่าของเขาเหล่านั้นด้วยแล้วก็จริงๆว่าพูดตรงๆจริงๆก็บุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญของพระพุทธเจ้าผู้ที่ข้ามได้แล้วก็ยังช่วยสัตว์อื่นให้ข้ามเนี่ยท่านทำทุกอย่างเพื่อให้ช่วยสัตว์อื่นข้ามได้จะโดยวิธีใดก็ตามที่พอจะช่วยให้สัตว์อื่นข้ามได้พระองค์จะทาทุกวิธี อย่า น, นพระองค์นี้เป็นสุดยอดนักประโยคะนีนเป็นนักประโยคะยิ่งกว่านักประโยค่าทั้งหลายเพราเป็นคนมองอะไรออกเนี่ยนะเป็นผู้รู้แจ้งโลกโดยที่ไม่มีอะไรติดขัดแล้วก็ไม่ท่านเป็นผู้มีอํานาจโดยที่ไม่รู้สึกเกรงใจใครเลยนะขั้นคามในใจอะไรไม่มีเป็นคนที่องอาจพูดก็พูดอย่างสง่าผ่าเผยเป็นต้นเนี่นะเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอินพรมทั้งนั้น น, น, นะเพราะอินพรมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอ่ะ ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมันเป็นผู้ที่ทําทุกอย่างเพื่อสงเคราะห์สัตว์ดันั้นพระพุทธเจ้านี่อย่างที่ว่าเนี่ยพระองค์ปรับอุณหภูมิโดยอากาศได้เนี่ยนะพระองค์ปรับอุณหภูมิโดยอากาศได้ทําให้เขาไม่ฟุ้งซ่านได้เนี่นยนะโดยจะใช้พุทธานุภาพหรือใช้อะไรก็ตามพระองค์รู้ปัจจัยที่จะทําให้เขาสงบแล้วก็ถ้าเขาสังสมมาเนี่ยเขาคิดตามคําสอนบรรลุได้ อันนี้หมายถึงว่าพองษ์ช่วยคนที่มีบุญนะแต่คนไม่มีบุญพงษ์ก็บอกมองไม่เห็นเหมือนกันก็งนะั้นบอกเหมือนอะไรมาผู้มีบุญเนี่ยนะอยู่ไกลก็มองเห็นเหมือนกับอินเดียเนี่ยยังไงก็มองเห็นหิมาวันตะบรรพศใช่ไหมไอ้ภูเขาที่ภูเขาที่ที่เราหิมาพาเนี่ยนะอยู่แถวไหนก็มองเห็นไอ้ภูเขาโตๆนั่นน่ะฉั้นใดผู้มีบุญถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนเขาพองษ์ก็มองเห็นไปสงเคราะห์เขาแต่ถ้าผู้ไม่มีบุญเนะนั่งอยู่เข่าข้างซ้ายข้างขวาก็มองไม่เห็น ประดุดลูกศรที่ยิงไปในคืนราตรี ม, มืดฉะนั้นเนี่ย น, นะตอนนั้นเนี่ยพงษ์ก็เลยดักขันปาริณิพานเนี่ยไม่มีใครพอจะโปรดได้แล้ว น, น, นะเพราะถ้ารออยู่นะั้นเหน็ดเหนื่อยเปล่า น, น, นะสรุปแล้วผู้ที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยนะอุบาสกที่เป็นพระอนาคามีในสมัยพุทธกาลเนี่ยเยอะอุบาสิกาก็ไม่ใช่น้อยนะอุบาสิกาที่เป็นพระอนาคามีอย่างนั้นทมาตาเนี่ยโหสาธยายปรายนาวัครกลางคืนนี่เข้าพระสมมาบัต ออกจากพระราชาบาสาธยายพระสูตรจนเทวดาต้องไหว้อะก็มีอุบาสิกาที่เก่งๆไม่ใช่น้อยอย่างอุบาสิกาบางคนนี่สาธยายอาการส2บรรลุเป็นพระอนาคามีก่อนพระพิสุทอีกจนต้องจัดหาอาหารที่เป็นส ป, ปายะให้แก่พระพิสุท์พระพิสุท์จึงได้บรรลุเั้นท่านเป็นผู้บรรลุก่อนพระพิสุทอีกอันผู้ที่สาธยายอาการ32นี่ไม่ใช่ว่าบรรลุไม่ได้บรรลุได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องไม่ลืมนะบทคือเกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธ เกษานิโรธคามินีปฏิปทาโลมาโลมาสมุทัยโลมานิโรธโลมานิโรธคามินีปฏิปทาเกสาปริญญาเนี่ยเกสาสมุทัยปะหานะเกสานิโรธทําให้แจ้งเกสานิโรธคามินีปฏิปทาเจริญเอ๊ะถ้าจะบรรลุเกสาก็บรรลุด้วยปริญญาบรรลุเกสาสมุทัยด้วยอะไร ปหานะบรรุเกษานิโรด้วยทําให้แจ้งบรรุเกษานิโรถความนี้หนีปฏิปทาด้วยการเจริญเนี่ยนะทีนี้ก็อะไรนียเกษาเกษาสมุไทยความดับเกษาความดับชั้นธราคะของในเกษาเนี่ยนะความดับสมุไทยแห่งเกษาอัศธาแห่งเกษาอาทีนาวแห่งเกษานิสรณะแห่งเกษา เกษาเหตุเกิดเกสาความดับเกสาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเกสาอสัศธาแห่งเกษาอาทีนวาวแห่งเกสานิสระแห่งเกสาตามเห็นเกสาดโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาเห็นด้วยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความดับ <im it> <im it> ไม่ใช่สร้างขึ้นตามเห็นโดยความสละเกิ น, <im it> ม น, น, น <im it> ไม่ใช่ยึดถือ เนี่ยนะครัก็ชื่อว่าอบรมกายานุปัสนาเป็นต้นท่านก็สามารถที่จะบรรลุทําให้แจ้งอริยคุณทั้งหลายนท่านก็ปฏิบัติสามารถบรรลุมรรคผลได้อุบาสิกาสมัยพุทธกาลนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าอุบาสิกาในห้องเราเนี่เชื่อว่ า, าพระพิสูจน์ลายรูปเนี่ยมาเห็นแล้วก็ลําบากใจมากๆเลยนะมีพระบางรูป ก, ก็บอกผมไม่เคอยากเห็นหน้าโยมกลุ่มนั้นเท่าไหร่ก็ว่างั้นทํำไมบอกกลัวเขาถามกันเหตุผลนั่นนะ ไปถามพระมากทาก่านจะอายเลยส่วนอรหัน ต, ตมรักเนี่ยนะโดยศัพท์ก็ อ, ร ห, อรหันตอรหันตอรหัตก็แปลว่าผู้ไกลไกลกรากกิเลสกําจัดข้าสึกคือกิเลหสหากซีกรรมแห่งสังสารจากักไม่มีความลับในการทําบาปควรแก่ปัจจัยเป็นต้นเรียกว่าอารหันต์ผู้ที่เข้าพระสมาบัติบรรลุสาออริยะผลอรหัตผลก็เรียกว่าอารหัตผลสมาบัติ สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าควรรู้ยิ่งนะเราก็ได้กระยิมในใจว่าสักวันเราต้องรู้ยิ่งบ้างนแต่คุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยจะต้องให้อินทรีย์พละโพธชงองค์มรรคประชุมกันนะที่สำคัญมากนะที่จะบรรลุอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยการอินทรีย์พละโพธชงองค์มรรคประชุมกันทีนี้อินทรีย์ที่จะประชุมกันได้เนี่ยนะสัตทินทรีย์เพระอาถาว่าอธิโมกขัดโทนอาทิโมกขะเนี่ยหมายถึงว่าการน้อมไป น้อมใจเชื่อในพระพุทธเจ้าในในฐานะผู้ตรัสรู้อะไรสมมติถเกสานะพระพุทธขอน้อมน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กําหนดรู้เกสาละเกสาสมูไทยทำเกสานิโรธให้แจ้งเจริญเกสานิโรธค้า ม, มินีปฏิปทาเนี่ยเขาก็มีจิตน้อมใจมีใจเลื่อมใสได้ใช่ไหมอันนี้ศรัทธาพิโมกข์อริยมรรตที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือทางแห่งพระนิพพานที่พระองค์ชี้เนี่ย ชี้ไว้ดีแล้วเกสานิโรเกสานิโร ธ, กโรธาคกษามิเนปฏิปทาสอนไว้ดีแล้วก็มีศรัทธาในพระธรรมโยแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติเพื่อดับเกสาก็มีอยู่จริงคือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็มีความเลื่อมใสในพระรัตนะตรายเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมและเลื่อมใสในหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเห็นไหมศรัทธาตัวนี้แล่ละที่โมกขของ ทีนี้ถ้ามีศรัทธาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พ้นจากวัตรทุกข์แต่ถ้าไม่มีศรัทธาเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็เฝ้าทุกข์นะนะก็เฝ้าเกษาต่อไปกันแล้วกันรับใช้เกษาสะผมมันลกี่ครั้งก็ว่าไปวีวัลกี่ทีก็ว่าไปเนี่ยนะนะก็รับใช้เกษาไม่มีที่สิ้นสุดยาวหน่อยว่าตัดทิ้งนะนะแต่ก็เลี้ยงมันไปอย่างนั้นแหะดูแลไปนะนะ ก็ดูแลกันนะถ้าไม่ตัดผมนะคนละหลายวารเลยใช่ไหมถ้าไม่มีใครตัดผมนะปล่อยให้มันงอกทุกวันทุกวันทุกวันไม่ยอมตัดอ่ะนะคนละหลายวานะหนวดยาวเขาวยาวออพอได้แต่อย่างอื่นยาวเสียหายหมดแล้วคนนี้อันนะมันก็ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะจะต้องรับใช้ขันท่าอยัตนะไปถึงไหนแต่ถ้านน้อมใจก็ตรัสรู้สามารถที่จะดับ กองทุกเหล่านี้ได้วิริยินรีด้วยอัดว่าประคองประคองประคองก็คือละประคองกุศลให้กุศลเป็นไปอย่างต่อเนื่องต้องประคองไม่ให้อากุศลมันเกิดขึ้นนะคอยเกียรติคอยกันนะไว้อย่าแกจะเข้ามานะอากุศลนี้ตกถ้าเข้ามาก็รีบฆ่ารีบทําลายที่สุดผู้ที่ฝึกจนชํานาญเนี่ยนะอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งชวนะเนี่ยดับได้เลย ถ้าบางคนเนี่ยเขาบอกกิเลสช้ามากเลยนะสองสามชาวนะท่านถือว่าช้ามากที่ปล่อยให้เกิดตั้งสองสามชาวนะวเรียกว่าพวกนี้ช้าสติเกิดช้าถ้าพวกหนึ่งชาวนะก็นับว่าเร็วแต่ถ้าพวกปัญญาถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะอาวัชนะแค่นึกรับเนี่ยเนี่ยแนวโน้มจะเกิดกิเลสเนี่ยท่านรู้แล้วท่านเลยไม่จะไม่มีกิเลสเลยแนวนโน้มที่อาวัชนะแบบนี้เนี่ยจะพามาซึ่งความเหลื่อร้อนเนี่ยท่านเห็นหมดละท่านไม่ยอมที่ใจะอาวัชนะคิดเป็นอกุศลได้เลย อ๋นนะผู้ที่ฝึกได้ขนาดนั้นจึงสมควรแก่การบรรลุมรรคผลเพราะฉนั้นของเราฝึกระลึกไปเรื่อยๆใช่ไหมนิดๆหน่อยๆก็เผื่อมันจะฟุกขึ้นมาผางขึ้นมาเลยนะเราไม่รู้ว่าคิดให้ดีนะผางอะไรขึ้นมามนก็ต้องประเคียนคอยเกียรติกันบาปเกียรติกันอกุศลคอยห้ามคอยระวังให้จิตเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะแปลว่าวิริยะเนี่ยนะปะคะหะก็คือการประคับประคองส่วนสตินซีนี้เพราะอาถรวา ตั้งมั่นตั้งว่ายังไงเข้าไปตั้งแผลแล้วก็เหมือนกับเอาเอาคนอะไรไปตั้งไว้ไหมวางของตั้งอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยตั้งว่ายังไงตั้งว่าตั้งในกายว่าอสุภะตั้งในเวทนาว่าเป็นทุกข์ตั้งในจิตว่าไม่เที่ยงตั้งในธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาอนัตตานี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไงอ้าวก็ไม่ใช่อตา ก็นิวรนอัตตาที่เป็นอนัตตาที่เป็นนิวรต้องรีบละให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้อนัตตาที่เป็นโพชฌงต้องเจริญให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะโพชงเนี่ยเป็นองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้เนี่ยนะนั่นก็สติตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมจิตเจตสิกไม่เกลื่อนกลนวุ่ น, ว, นวายกระจัดกระจายอย่างนี้ก็จิตเจตสิกนี่ก็ไม่ใช่ว่าตึกเป็น ไปมั่วไปหมดเพราะเอะสมาธิไม่ฟุ้งร้างเนี่ยองที่จะช่วยทําให้เอกคตาไม่ฟุ้งร้างคือวิตกวิจารณทิมโมกอวิตกวิจารณปีติสุขเอกคตาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ตัววิตกนี่สาคัญท่านยังไงควบคุมวิตกไม่ให้มันวุ่นวายเกินไปคิดถึงถ้าสมมติเจริญเมตตาก็าให้มันเป็นอัพยาปาพระวิตกอย่างสืบเนื่องเป็นเรื่องเดียวยาวหรือเป็นกรุณาก็กรุณาอย่างเดียวยาวมีพุทธคุณก็เห็นอะไรก็เป็นพุทธคุณไปยาวเลยนะ ถ้าอย่างนี้ก็จึงจะความไม่ฟุ้งซ่านจึงจะเกิดขึ้นผู้ที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าคิดอะไรไม่เป็นเลยนะนิ่งอย่างเดียวใช่ไหมใครในโลกนี้มีสมาธิมากที่สุดพระพุทธเจ้าใครมีปัญญามากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ารู้อะไรเั้นสงบบางอย่างนี้ต้องมาคิดให้ดีนะสงบแบบพระพุทธเจ้ากับสงบแบบเราเนี่ยอาจจะคนละเรื่องก็ได้เนี่ยนะเราต้องหมั่นสังเกตยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องโอนไปหาพระัตนะตรายเอาไว้เสมอว่า สิ่งที่เราเจริญเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่าฉันกำลังเดินตามพระพุทธเจ้าอยู่นะฉันคือผู้ปฏิบัติตามคำสอนอยู่นะอะไรหนอเป็นเครื่องเปรียบอะไรหนอเป็นเครื่องตรวจสอบเนี่ยนะก็พระไตรปิฎกก็มีอยู่แล้วคนลชุดคนลชุดก็ดไปตรวจ ด, ดูกันแล้วกันส่วนปัญญานี่ก็เห็นใช่ไหมทัศนะเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจเห็นว่านี้ทุกนี้ทุกข์กทุกนี้วิปริณามทุกนี้ สังขาระทุก์ใช่ไหมนี้ทุกขสมุทัยเพราะตันหาเป็นเหตุอะไรนะทุกเป็นเหตุใกล้แห่งตันหาอะไรนี้ทุกขสมุทัยถ้าทุกเหล่านี้และสมุทัยเหล่านี้ดับก็เป็นทุกขานิโรธถ้าคิดอย่างนี้แน่แบรรลุแน่เนี่ยนะมั่นใจอย่างนั้นเอาไว้ก่อนก็ยังดีนะนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆบรรลุแน่เนี่ยก็ต้องพยายามตามเห็นอย่างนี้ในทุกอารมณ์เอาไว้เนี่ยนะในที่สุดก็ ดับทุกได้เพราะมักเนี่ยเอ้ยขอไปอัญญานี่เพราะอัตถาว่าเห็นคือเห็นอริยสัจเนี่ยนะ